อยู่ที่ไหนแล้วเป็นทุกข์เกินไปไม่เป็นเหตุให้สติเจริญขึ้นก็หลีกออกมาซะไม่ว่าจะเป็นของไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นงานถ้าเป็นเหตุให้ทุกข์เท่าเดิมอยู่ๆไปพักหนึ่งคุณจะชินเหมือนเสียงรบกวนที่คงเส้นคงวาได้ยินไปนานๆนนสมองจะคัดส่วนที่รบกวนออกจากการรับรู้ไปเอง แม้ส่งเสียงอยู่แต่ก็เหมือนไม่ได้ยินนี่เป็ น, นกลไกธรรมชาติที่จะทําให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้โดยไม่เป็นบ้าตายซะก่อนภายใต้สถานการณ์แย่ๆแต่ถ้าเสียงรบกวนดังกล่าวอยู่ๆดังโด่งขึ้นมากระตุ้นโซดประสาทพักหนึ่งแล้วแผ่วหายไปเสร็จแล้วแผดแหลมขึ้นมาแสกแก้วหูเป็นนานกว่าจะหายไปจากนั้นกระหืมสะเทือนอัดบ้องหู นานเหมือนจะไม่หยุดกว่าจะหายไปได้แบบนี้ร่างกายและจิตใจของคุณจะไม่ปรับตัวนับวันสุขภาพจิตจะยิ่งแย่ลงเรื่อยเเหตุเพราะทุกครั้งที่เสียงอันเป็นพิษกระทบหูจะเกิดความทุกข์ใหม่ๆไม่ซ้ำหน้าเพิ่มความอึดอัดสะสมแรงดันจนถึงจุดหนึ่งเหมือนลูกโป่งใกล้ระเบิดเมื่อเข้าใจหลักการนี้ก็จะแยกแยกออกว่า แม้แต่การเจริญสติก็ไม่ใช่เจริญได้ทุกสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาพการที่สติของคุณยังไม่แข็งพอที่จะต้านแม้พระพุทธเจ้าก็ตรัสกับเหล่าภิกษุสาวกว่าหากเจริญสติถูกทางแล้วแต่อยู่ที่ไหนและเป็นสุขเกินไปไม่เป็นเหตุให้สติเจริญขึ้นก็หลีกออกมาด้วย ท่านไม่ได้ส่งเสริมให้ทนทนท น, ทนไม่มีที่สิ้นสุดแล้วหวังว่าเดี๋ยวสติจะเจริญขึ้นได้เองสิ่งที่ต้องทำไว้ในใจคือถ้าเจอกระทบอันเป็นทุกข์นิดหน่อยแล้วถอยทันทีไม่อาศัยเป็นบทเรียนดูปฏิกิริยาทางใจที่แรงขึ้นมาแล้วแผ่วลงไปบ้างเลยจะเอาแต่เครื่องประโลมสัมผัสที่น่าพอใจเช่นนี้ในทางธรรม สติก็ไม่มีทางเจริญเพราะจะขาดสติเพิมนึกไปว่าโลกนี้น่าอภิรมสศูนในทางโลกความเข้มแข็งก็ไม่มีทางเกิดเพราะเป็นผู้ขาดขันติอะไรนิดอะไรหน่อยก็ทนไม่ได้ไปหมดในทางกลับกันหากเจอกระทบอันเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่สิ้นสุดและไม่หาทางเลี่ยงหรือไม่คิดตัดต้นตอ เข้าใจว่าการเจริญสติคือการฝึกทนทู่สีไปเรื่อยๆอันนี้ในที่สุดโรคประสาทก็ถามหาเอาง่ายๆเหมือนกันการทึกทักของคนส่วนใหญ่จะออกแนวแน่จริงต้องทนได้ทุกอย่างฝึกได้ทุกที่ทาไม่ได้แปล ว, ว่าไม่เก่งหรือยังฝึกไม่พอที่แท้แล้วทั้งหลายทั้งปวงคือ ย, ยังไม่เข้าใจให้ดีพอต่างหาก